เลริญพรท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเื่อาใสนพระพุทธศาสนา ท, ทุกท่านวันนี้เป็นวันจันทร์ที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2559เป็นวันหยุดราชการเนื่องจาก เป็นวันเชื่อมระหว่างวันเสาร์อาทิตย์กับวันอาสาหับูชาและวันเข้าพรรษาทางราชการก็เลยแถนวันหยุดให้หนึ่งวันตามปกติถ้าไม่มีวันสำคัญที่มาต่ อ, อเนื่องกันวันนี้ญาติโยมก็จะต้องไปทำงานทำการ ก็จะไม่มีเวลามาวัดมาทำบุญวันนี้จึงเรียกว่าเป็นวันกำไรบุญเพราะว่ามีเวลาได้มาทำบุญเพิ่มอีกหนึ่งวันเพราะบุญนี้เป็นสิ่งที่สำคัญต่อชีวิตจิตใจของพวกเราเพราะบุญจะให้ความสุขกับเราจะเป็นเหมือนกับ ทรัพย์สมบัติที่เราสามารถเอาติดตัวไปได้หลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วทรัพย์สมบัติที่เราหาได้ทางร่างกายเช่นเงินทองเข้าของบ้านช่องคนบุคคลต่างๆเราจะไม่สามารถเอาไปกับเราได้เวลาที่ร่างกายของเรา บทลงหายใจไปมีสิ่งที่เราเอาไปได้ก็คือบุญหรือบาปถ้าเอาบุญไปก็เหมือนกับเอาเงินทองไปถ้าเอาบาปไปก็เหมือนกับเอาหนี้สินไปถ้าเอาบาปไปก็ต้องไปใช้หนี้สินต่อถ้าเอาบุญไปก็เอาเงินไปท่องเที่ยวในโลกที่ คือสวรรค์ชั้นต่างๆได้พวกเราจึงไม่ควรลืมความสำคัญของบุญเพราะบุญนี้สำคัญกว่าทรัพสมบัติเข้าของเงินทองที่เราไม่อยู่ในขณะนี้เพราะความสุขที่เราได้รับจากเงินทองเข้าของกับความสุขที่เราได้รับจากบุญนี้มีน้าหนักต่างกันมาก มีผลต่อจิตใจของเราต่างกันมากบุญนี้ให้ความสุขกับเรามากกว่าทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองที่เรามีอยู่ความสุขที่ได้รับจากทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองนี้มีปริมาณจํากัดเนื่องจากภาชนะที่รองรับความสุขจากนับจาก เงินทองเข้าของนี้มีขนาดเล็กถ้าเปรียบเทียบ ก, ก็อาจจะเป็นแค่ตุ่มน้ำส่วนปริมาณที่รองรับบุญนี้ใหญ่โตโมหาศารขนาดสระน้ำจึ ง, องร อ, ดดกกองรับความสุขได้มากกว่ารองรับความสุขทางทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆ เราจึงไม่ควรที่จะหาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมากเกินกว่าที่ภ า, าชนะที่เรามีรองรับอยูนะ่ความสุขที่เราได้จากทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองก็คือการที่เรามีปัจจัย4ี่ครบบริบูรณ์คือมีอาหารไว้รับประทานมีเครื่องนุ่งห่มไว่สูมใส่ มีที่อยู่อาศัยมียารักษาโรคถ้าเรามีครบทั้งสี่ประการนาี้แล้วต่อให้เรามีมากกี่สิบเท่าร้อยเท่ามันก็ไม่สามารถที่จะให้ความสุขกับเรามากกว่าเท่าที่มันสามารถรองรับได้เหมือนกับเทน้ำใส่ตุ่มพอตุ่มมันเต็มแล้วเราจะเทใส่เข้าไปเท่าไหร่ มันก็จะไหลล้นออกไปแทนที่จะไปใส่ตุนเราควรจะเอามาใส่สระน้ำดีกว่าเพราะสระน้ำนี้ใหญ่โตสามารถรองรับปริมาณของความสุขได้มากกว่าดังนั้นถ้าเรามีทรัพยเข้ามีทรัพย์สมบัติพอกินพอใช้แล้วเราควรที่จะเอาส่วนที่มีเกินนี้ เอามาทาบุญดีกว่าเพราะการทาบุญนี้เป็นการเติมความสุขให้กับใจที่เป็นภาชนะที่ใหญ่กว่าร่างกายร่างกายนี้พอมีปัจจัยสี่เพาะครบแล้วก็ไม่มีไม่สามารถรองรับมากไปกว่านั้นได้ต่อให้มีบ้านห้าหลังสิบหลังมันก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรต่อให้มีข้าว สะสมไว้เต็มล้นบ้านก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะร่างกายก็รับประทานอาหารได้วันละสองสามมื้อเท่านั้นเสื้อผ้าต่อให้มีล้นบ้านก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะร่างกายสวมใส่ครั้งละหนึ่งชุดเท่านั้นเองถ้ามีสามสี่ชุดนี่ก็พอแล้วมีไว้ใส่มีไว้สำรองมีไว้ซักความจริงไม่ต้องมีมาก มีมากก็กลายเป็นภาระกลายเป็นเรื่องหนักอกหนักใจเพราะจะต้องคอยดูแลรักษาน่าจะทำให้ไม่สามารถไปไหนมาไหนได้เพราะถ้ามีสมบัติมากก็จะห่วงจะมีความกังวลกับทรัพย์สมบัติข้าวของเองินทองต่างๆแทนที่จะมีความสุขจากการมีทรัพย์กับทำให้เราเกิดความวุ่นวายใจ ก็ต้องคอยดูแลรักษาแล้วตายไปก็เอาไปไม่ได้เลยแนมะ้แต่ชิ้นเดียวถ้ามีบ้านหลายหลังเอาไปขายแล้วเอามาทำบุญจะดีกว่ามาสร้างบ้านพักให้คนที่เขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนสร้างโรงเรียนสร้างโรงพยาบาลสร้างสิ่งที่เป็นสาธารณประโยชน์สร้างวัดสร้างกุฏิได้ทั้งนั้น แล้วเราจะได้ทรัพย์ภายในเราจะได้อารยทรัพย์ติดตัวไปกับเราเวลาเราไปเราไม่ต้องมารอรับส่วนบุญของญาติพี่น้องเพราะเรามีทรัพย์มากกว่าที่เขาจะส่งไปให้เราได้เราเป็นเศรษฐีบุญพวกที่เป็นเศรษฐีบุญนี้ก็คือพวกเทวดาทั้งหลายส่วนพวกที่เป็นขอทานบุญก็เป็นพวกเปรต พวกเปรก็เป็นพวกที่ไม่ชอบทาบุญชอบสะสมทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองอยากให้มีมากๆอยากให้ร่มให้รวยอยากเป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกเนี่ยก็เลยมัวแต่หาเงินหาทองและมักจะหาโดยวิธีที่ไม่ถูกศีลถูกธรรมด้วยมักจะช่อโกง มักจะเบียดเบียนผู้อาจจะมีการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพื่อที่จะได้ทรัพย์มามากๆเนี่ยพวกนี้เวลาตายไปเป็นพวกที่ต้องมาขอบุญจากญาติพี่น้องเพราะเวลามีชีวิตอยู่ไม่เคยคิดทำบุญเลยคิดแต่อยากจะได้อย่างเดียวอยากจะได้ทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทอง อยากจะมีเงินทองไปเที่ยวไปใช้ไปกินไปดื่มไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆซื้อรถคันละสิบล้านซื้อบ้านหลังละร้อยล้านซื้อไปทำไมรถคันละล้านก็วิ่งไหนวิ่งไปไหนมาได้เหมือนกันบ้านหลังละล้านก็อยู่นอนหลับได้อย่างสุขอย่างสบายเหมือนกันไม่มีความแตกต่างกันที่จะต้องเสียเงินทองมากมายไป เราเวลาตายไปก็ไม่มีอะไรติดตัวไปเลยแต่ถ้าเอาเงินที่มีมากเกินกว่าที่เราจะสามารถใช้ได้เอามาทําบุญทําทานจะดีกว่าแล้วเราจะมีทรัพย์ติดตัวไปตายไปก็จะได้ไปท่องเที่ยวในสวรรค์ชั้นต่างๆและหลังจากที่เสร็จจากการท่องเที่ยวเรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ ก็จะเป็นมนุษย์ที่มีความร่มรวยไม่ต้องไปดิ้นตนหาเงินหาทองมาเกิดบนกองเงินกองทองเกิดกับพ่อแม่ที่มีฐานะการเงินการทองที่ร่ำรวยคนเราจะไม่ถึงมาเกิดต่างที่ต่างต่างฐานะกันก็เพราะว่าในอดีตเราทำบุญทาบาปมาไม่เท่ากันนั่นเองถ้าเราทำบา มากกว่าทำบุญเวลาตายไปก็ต้องไปใช้หนี้ที่เราจะต้องไปใช้หนี้ก็คืออบายคือต้องไปเป็นเดรัจฉานไปเป็นเปรตไปเป็นผีไปเป็นสัตว์นรกแล้วพอใช้หนี้หมดแล้วกลับมาเกิดใหม่ก็เป็นมนุษย์ที่อาภัพวาสนาไม่มีเงินมีทองมาเกิดกับครอบครัวที่ยากจน บางทีก็ต้องไปเป็นขอทานบางทีก็มีอาการไม่ครบ32หูหนวกตาบอดแขนขาดขาขาดมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนมีอายุไม่อยื่ยาวนานพวกนี้จึงมักจะกลับมาเกิดเป็นขอทานมาเป็นคนยากคนจนเพราะไม่เชื่อในการทำบุญเสียดายเงินทอง ที่ว่าทำบุญแล้วจะสูญเปล่าเพราะไม่เห็นตัวที่ไปรับผลบุญคือใจใจนี้เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาของร่างกายจะเห็นใจได้ต้องใช้การปฏิบัติภาวนาถ้าเรานั่งสมาธิทำใจให้สงบได้เราจะเห็นตัวเราเราจะเห็นใจ ตัวเราก็คือตัวรู้นี้เองแล้วเราจะรู้ว่าตัวรู้กับตัวร่างกายนี้เป็นคนละตัวกันเวลาร่างกายตายไปตัวรู้นี้ไม่ตายไปกับร่างกายเราจึงเราก็จะรู้ว่าตัวรู้นี่แหละที่จะต้องไปรับผลของบุญของบาปต่อไปถ้าเราสามารถนั่งสมาธิได้เราเห็นกายกับใจ ของเราเป็นคนเราส่วนกันเราก็จะได้ให้ความสำคัญกับใจมากกว่าร่างกายเพราะเรารู้ว่าร่างกายนี้อยู่ไม่เกินร้อยปีก็ต้องถึงแก่สิ้นลมไปต้องตายไปสิ่งของที่เราหามาใช้กับร่างกายก็ไม่สามารถใช้ได้ต่อไปอย่างมีนิทานอยู่เรื่องหนึ่ง ในสมัยพุทธกาลมีเศรษฐีคนหนึ่งเป็นคนที่หาเงินเก่งหาเงินด้วยวิธีทุกวิถีทางทำทำถูกก็ทำทำผิดก็ทำทำบาปก็ทำก็ได้เงินมามากแล้วก็หวงเงินมากเงินทองที่ได้มานี้เอาไปซ่อนไว้เอาไปฝังดินไว้ไม่บอกลูกบอกหลานเพราะไม่อยากจะให้ใคร ได้เงินทองของตนกะจะเก็บไว้ใช้คนเดียวพอตายไปก็ไปกลับมาเกิดเป็นหมาในบ้านของตนเพราะความคิดถึงทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองอยากจะอยู่ใกล้กับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองก็เลยต้องกลับมาเกิดเป็นสุนัขเพราะพอดีมีสุนัขตั้งท้องอยู่พอดีอยากจะมาอยู่ใกล้กับสมบัติ ก็เลยมาเกิดเป็นสุนัขในบ้านของตนเองพระพุทธเจ้าพอดีได้เสด็จผ่านมาก็ทรงเห็นด้วยญาณว่าสุนัขตัวนี้เป็นเจ้าของบ้านที่ตายไปแล้วกลับมาเกิดเป็นสุนัข ก, ก็เลยสั่งบอกลูกๆที่อยู่ในบ้านว่าเลี้ยงสุนัขตัวนี้ไว้ให้ดีอย่าไปอย่าให้มันหายไปจากบ้านนี้ดูแลมันให้ดี เพราะว่ามันเป็นพ่อของพวกเธอแล้วเดี๋ยวมันจะพาไปหาสมบัติขุดสมบัติที่พ่อของเธอได้ฝังไว้เพราะไม่มีใครรู้มีแต่พ่อของเธอคนเดียวเท่านั้นที่รู้พอหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ตัดแล้วเขาก็ทำตามที่พระุทธเจ้า ส, สอนเดี๋ยวไม่นานหมามันก็ไปขุดสมบัติต่างๆที่มันฝังเอาไว้ในชาติก่อน นี่คือนิทานที่เล่ากันมาในพระไตรปิฎกซึ่งเป็นความจริงที่พวกเราอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องเรือเชื่ออาจจะคิดว่าเป็นเรื่องที่เขียนแต่งกันขึ้นมาเพื่อหลอกให้พวกเราได้ไดทําบุญกันก็แล้วแต่เราจะเชื่อหรือไม่เชื่อเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้ ถ้าไม่เชื่อก็อาจจะไม่ได้ทำบุญแต่ถ้าเกิดมันเป็นความจริงขึ้นมาเราก็จะไม่ได้รับประโยชน์จากนิทานเรื่องนี้ถ้าเราเชื่อแล้วเราทาบุญกันแล้วถ้าเป็นความจริงเราก็จะได้ประโยชน์ถึงแม้ว่าถ้าไม่เป็นความจริงอย่างน้อยการทำบุญก็ทำให้เรามีประโยชน์ในปัจจุบัน เวลาทำบุญแล้วเราจะมีความอิ่มเอิบใจมีความสุขใจจะทำให้ความอยากต่างๆน้อยลงไปเช่นความอยากไปเที่ยวความอยากไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆมันจะน้อยลงไปถ้าเราเอาเงินที่จะไปเที่ยวเอาเงินที่จะไปใช้กับของฟุ่มเฟือยต่างๆเอามาทำบุญพรามันจะเป็นการสวน ความอยากที่จะใช้เงินไปซื้อของต่างๆไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆพอเราไม่ได้ทำตามความอยากกําลังของความอยากมันก็จะลดลงพอกําลังความอยากลดลงความสุขใจอิ่มใจก็จะมีเพิ่มขึ้นมานี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับในขณะที่เรามีชีวิตอยู่จากการที่เราได้ทำบุญกัน การทําบุญนี้มีความสุขมากกว่าการไปเที่ยวเวลาไปเที่ยวเราก็สนุกสนานกันพอกลับมาบ้านมันก็หายไปหมดเหลือแต่ความอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเหลือแต่ความเศร้าซ้อยหงอยเหงาทำให้อยากจะออกไปเที่ยวอีกในทางตรงกันข้ามหลังจากที่เราได้ทําบุญแล้วนี่ใจของเราจะมีความอิ่มมีความสุข กลับไปบ้านความสุขความอิ่มก็ยังมีอยู่เพราะไม่มีความอยากจะไปเที่ยวไหนนั่นเองนี่คือประโยชน์ที่เราสามารถพิสูจน์ได้ในปัจจุบันผลของบุญนี้มีตั้งแต่ในปัจจุบันและในอนาคตในอนาคตเนื่องจากพวกเรายัางไม่สามารถเห็นใจของเราได้ ยังไม่เห็นว่าใจของเรานี้จะเป็นผู้ที่จะต้องไปเกิดใหม่เราก็ต้องมีทางเลือกอยู่สองทางจะเชื่อคนตาดีอย่างพระพุทธเจ้าหรือไม่เชื่อเราต้องคิดดูว่าพระพุทธเจ้านี้ท่านมาสอนเรานี้ท่านได้อะไรจากเราบ้างท่านไม่ได้อะไรเลยนะแต่บาทเดียวเพราะใจของท่านนี้ เต็มเปี่ยนไปด้วยความสุขแล้วเต็มเปลี่ยนด้วยปามังสุขขังบรล ม, มสุขความสุขที่ได้จากการช่วยเหลือผู้นี้มันเป็นความสุขส่วนน้อยและไม่มีประโยชน์กับพระ อ, องค์เลยพระ อ, อนี้ถ้าไม่สอนท่านก็ยังมีความสุขท่านก็ยังหลุดพ้นจากการเรียนว่ายตายเกิดอยู่แต่เนื่องจากท่านเห็นว่า พวกเรานี้เป็นเหมือนคนตาบอดยังไม่รู้จากทางที่จะพาให้ไปสู่การพ้นทุกข์ไปสู่การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดที่จะพาให้เราไปเกิดในภพที่ดีพระองค์เลยต้องสละเวลาทั้งหมดที่ทรงเหลืออยู่หลังจากที่ทรงตัดจรุ น, นทรงมีพระชนส5 0 0 0หาพันสา แล้วจากนั้นไปอีกสี่ส้าปีพระองค์อุทิศเวลาให้แก่การสั่งสอนสัตว์โลกอย่างพวกเราเพื่อให้พวกเราได้เห็นทางได้รู้ทางที่จะพาชีวิตของพวกเราให้ไปสู่ที่พบที่ดีไปสู่ที่ชอบที่ชอบและไปสู่ที่สุดของการเวียนหน้าตายเกิด วันวันหนึ่งนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้ทำประโยชน์ให้กับพระองค์เลยตอนบ่ายก็สั่งสอนญาติโยมตอนค่ำก็สั่งสอนพระภิกษุสา ม, มเณรตอนดึกก็สั่งสอนเทวดาตอนเช้าก่อนจะออกบินทบาทโปรดสั์ก็ทรงเลงยานดูว่าจะไปโปรดคนไหนเป็นกรณีพิเศษดีนี่คือกิจหประการที่เรียกว่าพุทธกิจห้าของพระพุทธเจ้า ไม่ได้ทำเพื่อพระองค์เลยทำเพื่อสันโลกเพื่อให้พวกเราจะได้มีหูตาสวา่างได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเราก็จะเชื่อพระพุทธเจ้าได้อย่างเต็มร้อยว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้อะไรจากพวกเรามีแต่พวกเราจะได้รับประโยชน์จากพระพุทธเจ้า ถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วเรานำเอาไปปฏิบัติเพราะผู้ที่เชื่อพระพุทธเจ้าแล้วนําไปปฏิบัตินี้ได้รับประโยชน์กันทุกคนได้หลุดพ้นเป็นพระอาหารหันตาสาวกกันทุกคนนี่คือพระธรรมของพระพุทธเจ้าพระเมตตาของพระพุทธเจ้าที่มีต่อพวกเราพวกเราจงึงควรที่จะน้อม เอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติคือทรงสอนให้เราทำบุญกันให้มากๆแล้วให้เราละการกระทำบาปทั้งปวงแล้วก็มาชำระใจของพวกเราให้สะอาดเพราะสิ่งที่มีอยู่ในใจนี้ที่เรียกว่ากิเลสตัณหามันเป็นเชื้อของภบชาติถ้ามีกิเลสตัณหา ก็จะมีการเกิดแก่เจ็บตายไปเรื่อยๆ <c oughs> เราจึงต้องทําการชํำระใจการทําบุญก็เพื่อที่จะทําทให้เราได้พบชาติที่ดีการละการทําบาป ก, ก็เพื่อให้เราไม่ต้องไปใช้บาป ก, ก ร, รมในอบายแล้วการชําระใจให้สะอาดกําจัดความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจ ก็จะทำให้เราหลุดพ้นจะไม่ต้องกลับมาเกิดมาแกมาเจ็บมาตายอีกต่อไปจะอยู่บนสวรรค์ชั้นสูงสุดคือพระนิพพานที่มีแต่ความสุขไม่มีความเสือ่อมไม่มีความทุกข์นี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการที่เรามีวันพิเศษในวันนี้มีวันกำไรบุญ แทนที่เราจะไปเที่ยวกันไปหาความสุขทางร่างกายกันเรามาหาความสุขทางใจกันมาเติมความสุขให้กับสระน้าดีกว่าไปเติมความสุขให้กับตุ่มน้ำที่มันเต็มอยู่แล้วดังนั้นขอให้พวกเราพยายามใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการมาวัดมาฟังเทศฟังธรรมมาทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้า คือมาทำบุญละบาปมาชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์แล้วเราจะได้พบแต่สิ่งที่ดีที่งานไปเรื่อยๆจนถึงเวลาที่เราเข้าไปในพระนิพพานการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติดไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตน์ใจและบุญกุศล